ศาสดาก็ทรงห่มชีวรในเชตวันทรงถือบาทสเสด็จไปอย่างที่นั้นโดยขณะชิดเดียวเท่านั้นสแสดงพระองค์ข้างหน้าพระภิกษุทั้งหลายพวกมนุษย์ได้ตื่นเต้นเอิกเกเริกเป็นเสียงเดียวกันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาต่างชื่นชมโสมนัสเป็นที่ยิ่งอาราธนาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้นั่งแล้วถวายยาคู่เข้าต้ม ถวายพัดเข้าสวยเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภิกษุทั้งหลายยังเสวยและฉันไม่เสร็จนันแลสมณีติสระได้เข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านในนาอาหารออกถวายสมณีด้วยความคเคารพสมณีได้รับอาหารแต่พอสมควรแก่ตนแล้วเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาน้อมบาตรเข้าไปถวายพระาศาสดาตรัสว่านํามาเธอติสระแล้วทรงเหยียดพระหัตทรับบาตรจากสมณี มอบให้พระสารีบุตรด้วยประวาจาว่าจงดูบาทของสมณเณรท่านเถิดสารีบุตรพระสารีบุตรรับบาทจากพระหัตถ์ของพระศาสดาตรวจดูแล้วบอกไปสมณเณรพร้อมกล่าวว่าเธอไปนั่งทำพทักิจในที่อันควรแก่ตนเถิดสมณเณรชาวบ้านอังคาดภิสุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแ้วทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนาพระศาสดาตรัสอนุโมทนาว่า ท่านทั้งหลายได้เห็นพระสีติมหาสาวกมีพระสารีบุตรเป็นต้นก็เพราะอาศัยสัมมาเนนได้เห็นเราตถาคตก็เพราะอาศัยสัมมาเนนได้ทําบุญเห็นปานี้ก็เพราะอาศัยสัมมาเนนเป็นลาบของพวกท่านทั้งหลายแล้วที่ได้สัมมาเนนผู้เป็นบุญเห็นปานี้เป็นที่พึ่งเห็นปานี้เป็นบุญอันประเสริฐของท่านทั้งหลายแล้วที่ได้อุปถัมม์สัมมาเนนมาเป็นเวลาสถึงสเดือน ไม่ได้ฟังอนุโมทนาดังนี้พวกมนุษ์ที่โกรธสัมาเนนก็กลับกินดีเพิ่มพูนความเลื่อมใสมีประมาณยิ่งพวกที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็เลื่อมใสยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อจบอนุโมทนาชนเป็นอันมากในบรรลุอริยผลมีโสดาปุถิผลเป็นต้นพระศาสดาเสด็จออกไปกับสัมมาเนนตรัสถามสัมมาเดชหนึ่งๆว่าสถานที่นี้ชื่อไรสถานที่นี้ชื่อไร สมณเณรทูลตอบว่าสถานที่นี้ชื่อนี้สถานที่นี้ชื่อนี้พระเจ้าค่าพระศ า, าสดาสเสด็จมาถึงที่อยู่ของสมณเณรแล้วสเสด็จขึ้นภูเขาเมื่อสเสด็จถึงยอดเขาทอดพระเนตรเห็นมหาสมุทรอยู่เบื้องประพักตรัสถามสมณเณรว่ายืนอยู่บนยอดเขาเห็นอะไรเห็นมหาสมุทรพระเจ้าค่าเห็นมหาสมุทรแล้วคิดอย่างไรบ้าง ข้าพระองค์คิดว่าน้ำตาของสัตว์ผู้มีทุกข์ร้องไห้อยู่มีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรพระเจ้าค่าพระาศาสดาทรงสาทุการว่าถูกแล้วติดสะข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆสัตว์ผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตต้องประสบทุกข์ร้องไห้แต่ละคนมีน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรดังนี้แลทรงย้ำว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ยังน้อยไป เมื่อเทียบกับน้ําตาของสัตว์ผู้ประสบทุกข์แล้วคลั่งครวนเมื่อเป็นดังนี้ทําไมหนอเพื่อนผู้ร่วมทุกข์จึงยังประมาทกันอยู่ดูก่รท่านผู้สแสวงหาทางพ้นทุกข์คนทั้งหลายยังประมาทเพลิดเพลินและเล้อหลงไห ล, ะ ล, ะละกันอยู่ก็เพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์โดยเฉพาะสาเหตุขั้นมูลฐานไม่รู้ว่าอะไรคือความดับทุกข์ และอะไรคือทางนำไปสู่ความดับทุกข์ส่วนมากเข้าใจผิดยึดเอาสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขส่วนเหตุแห่งสุขก็เผลอไปว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์เมื่อมีความเนํมบิผิดเป็นทางดำเนินเช่นนี้แล้วก็ไม่อาจบรรลุหรือพบทางแห่งสันติสุขได้มีแต่ทุกข์เป็นเบื้องหน้าพระศาสดาตรัสถามสมเด็อีกว่าเธออยู่ที่เงื่อไหน อยู่ที่เงื้อมนี้พระเจ้าค่าเมื่ออยู่ที่เงื้มนี้เธอคิดอย่างไรข้าพระองค์คิดว่าเมื่อข้าพระองค์เวียนเกิดเวียนตายอยู่สรีระถูกทอดทิ้งณทีน่นี้มีจํานวนมากจนกําหนดไม่ได้พระเจ้าค่าถูกแล้วติสัตข้อที่เธอกล่าวนั้นชอบแล้วในพื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่นี้สถานที่ติสัตไม่เคยทิ้งสรีระไม่เคยนอนตายนั้น ไม่มีเลยแม้แต่น้อยดังนี้แล้วตรัสเล่าเรื่องในอดีตว่าพรามคนหนึ่งชื่อว่าอุปสาลาหกะถูกเผาแล้วนตรงนี้ 14,000 สพันครั้งสถานที่ที่สัตว์ไม่เคยตายไม่มีในโลกนัติโลกเกอะนามตังสัจจะหนึ่งธรรมะหนึ่งความไม่เบียดเบียนหนึ่งความสำรวมหนึ่ง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 สาเหตุของอุปาทานก็คือตัณหาความทยานอยากซึ่งมีประการต่างๆผู้มีคุณพิเศษเช่นพระอานนท์เป็นต้นเท่านั้นจึงจะสามารถไปในที่ติสัตว์ไม่เคยตายได้คือนิพพานในอากาศพระ น, น์เถระนั้นเมื่ออายุได้ร้อยยี่สิปีแล้วพิจารณาดูอายุสังขารของตนเห็นว่าความสิ้นอายุจักมาถึงในไม่ชา้า จึงบอกแกศิทธิ์และบริวารว่าเราจาักปรินิพานในวันที่7จากวันนี้ไปประชาชนซึ่งอยู่สองฝั่งแม่น้ําโรฮินีล้วนเป็นญาติและเป็นผู้มีอุปการะมากต่อท่านทั้งสิน้นเมื่อทราบข่าวว่าพระเถระจักปรินิพานต่างก็กล่าวว่าพวกเรามีอุปการะมากต่อพระเถระพระเถระจะต้องปรินิพานทางฝั่งของเรา พระเทระฟังคำของคนทั้งสองฝั่งน้าโรฮินีแล้วคิดว่าชนเหล่านั้นล้วนมีอุปการะต่อเรามากเสมอกันถ้าเราจักปริญพานทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งคนทั้งสองพวกจะทะเลาะกันเพื่อแย่งอัธิของเราความทะเลาะวิวาทหรือความสงบจะเกิดขึ้นก็โดยอาศัยเราเป็นแน่แท้ดังนี้แล้วจึงกล่าวกับชนทั้งหลายเหล่านั้นว่า ท่านทั้งหลายจงอยู่ทางฝั่งของตนนั่นแหละจะได้อธิษฐานของเราตามต้องการท่านทั้งหลายมีอุปการะต่อเราเสมอกันในวันที่เจ็แต่วันนั้นพระอนุเทระนั่งคูบลังในอากาศสูงประมาณเจ็ดชั่วลำตาลท่ามกลางแม่น้ำโรฮินีกล่าวธรรมกถาแก่ชนเหล่านั้นแล้วอธิษฐานว่าขอสรีระของเรา จงแตกในท่ามกลางส่วนหนึ่งจงตกทางฝั่งนี้อีกส่วนหนึ่งจงตกทางฝั่งนโน้นดังนี้แล้วเข้าเตโชกสินสมาบัติคือสมาบัติซึ่งมีเตโชาธาตเป็นอารมณ์เปลวไฟได้ตั้งขึ้นเผาไหมสริระของพระเถระาสริระของท่านแตกในท่ามกลางส่วนหนึ่งตกทางฝั่ ง, งนี้อีกส่วนหนึ่งตกทางฝั่ ง, งนโน้น มหาชนร้องไห้คล่ำครวนเสียงร้องไห้ระงมไปทั่วประหนึ่งว่าแผ่นดินจะสุดน่าสงสารกว่าเสียงร้องไห้ในวันปรินิพานแห่งพระศาสดาเพราะประชาชนร้องไห้อยู่ถึงสี่เดือนเพอรำพันว่าเมื่อพระเทระอานนยังอยู่ปรากฏแก่พวกเราเสมอ น, นึ่งว่าพระศาสดายังทรงพระชนอยู่บัดนี้ พระาศาสดาของพวกเราปริณิพานเสียแล้วพระาศาสดาตรัสถามสมณเณรติตะต่อไปว่าเธออยู่ในป่าชัดนี้ไม่กลัวเสียงสัตว์มีเสียงเสือเหลืองเป็นต้นหรือไม่กลัวเลยพระเจ้าข้าอีกประการหนึ่งการได้ยินเสียงสัตว์เหล่านั้นทำให้ข้าพระองค์มีความยิน ด, ดีในป่ายิ่งขึ้นพระเจ้าข้า สามเณรติสาได้พรรณนาคุณของฝ่าเป็นอันมากเฉพาะพระภักของพระาศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนาแล้วตรัสว่าติสะเราและภิกษุสงฆ์จะไปเดี๋นี้เธอจะไปกับเราหรือว่าจะกลับข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าอุปัชยะของข้าพระองค์ให้กลับข้าพระองค์ก็จะกลับถ้าอุปัชยะให้ไปก็จะไปพระเจ้าค่า พระศ า, าสดาเสด็จหลีกไปพร้อมด้วยภิกษสุงสงฆ์แต่ทายาสายของสมณเณรใคร่จะกลับแต่ประการเดียวพระสารีบุตรเทระทราบอัตยาสายของสมณเณรจึงกล่าวว่าติดสัถ้าเธอประสงค์จะกลับก็จงกลับเถิดสมณเณรถวายบังคมพระศาสดากล่าวลาภิกษสุงสงฆ์แล้วเดินกลับพระผู้มีพระภาคเสด็จไปยังเชตวนารามเมืองสาวัตถี เย็นวันหนึ่งพิสุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าน่าอาัศจรรย์จิงหนอติดสะสมณเณรได้ทำสิ่งที่บุคคลทาได้ยากแท้เป็นผู้มีลาบมากตั้งแต่เกิดมาเมื่อบวชแล้วก็เป็นผู้ที่อุดมด้วยลาบสการะแต่เธอสามารถละทิ้งลาบสการะเห็นป่านั้นได้แล้วเข้าไปสู่ป่ายังอัตภาพไปเป็นไปด้วยอาหารที่ะกันให้ประณีต สามารถทำสิ่งที่ทำได้ยากจริงหรอ ศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสมเน็ตติสะทําสิ่งที่ทําได้ยากภิกษุทั้งหลายปฏิปทาเพื่อให้ได้มาซึ่งลาบนั้นเป็นอย่างหนึ่งส่วนปฏิปทาเพื่อให้ถึงพระนิพพานนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายประตูแห่งอบายสีย่อมเปิดออกสําหรับภิกษุผู้ปฏิบัติเพื่อลาบสการะ แม้จะสมาทานทุดงมีการอยู่ป่าเป็นต้นถ้าหากมุ่งสการะเป็นจุดหมายแล้วก็ไม่พ้นจากอบายสีส่วนภิกษุภุลธลาบสการะอันเกิดขึ้นแล้วเข้าสู่ป่าเพียนพยายามย่อมสามารถยึดเอาพระอรหันต์ไว้ได้ดังนี้แล้วทรงย้ำว่าข้อปฏิบัติมุ่งลาบสการะเป็นอย่างหนึ่งข้อปฏิบัติอันเป็นเหตุใหถึงพระนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่ง สาวกของพระพุทธเจ้าทราบเนื้อความตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วไม่พึงเพลิดเพลินในลาบสการะพึงเจริญวิเวกธรรมพอใจในความสงัดดูก่อนผู้สแสวงหาวิเวกภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือบำเพ็ญวัดอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นตุดวงควัดี่มุ่งลาบสการะนั้นไม่น่าสรรเสริญเลยท่านเหล่านั้นย่อมต้องประพฤติคดทางกายบ้างทางวาจาบ้างเพื่อ ให้ลาบสการะเกิดขึ้นแก่ตนต้องประจบประแจงบุคคลผู้จะอํานวยให้เกิดลาบสการะแก่ตนดูก่อนผู้สแสวงหาคุณอันประเสริฐอันลาบสการะและชื่อเสียงนั้นพระบรมศาสดาทรงชี้ให้เห็นโทษอยู่เดืองๆทรงพร่ำสอนภิกษุษสาวกของพระองค์ไม่ให้ติดในลาบยศชื่อเสียงเพราะว่ามันทารุณแสบเผ็ดถึงลงต่ำย่ำยีจิตใจให้เราร้อนกังวล เป็นทางหลายมาแห่งริษยาและมานะไม่ดีเลยแต่ทรงพรฒนสอนให้พอใจในวิเวกพอกพูนวิเวกพระราดากายวิเวก ค, ความสงัดกายมีกายอยู่ในที่สงัดนั้นเป็นเครื่องบรรเทาการคุกคลีด้วยหมูนะ่คณะจิตวิเวก ค, ความสงัดจิตหมายถึงการที่จิตถอยห่างออกจากอารมณ์ยั่วยวนนั้นเป็นเครื่องบรรเท า, าความหมักหมมด้วยกิเลส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 ถึงความผ่องแผ่อย่างยิ่งอุปธิวิเวกของผู้ไม่มีอุปธิถึงพระนิพพานเมื่ อ, อนาถปินฑิกาเศรษฐีสร้างเชตวนารามเสร็จแล้วได้ส่งทูตไปราธนาพระาศาสดาและภิกษุสงฆ์ให้เสด็จมานครสาพถีขณะนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ณนกะรุงลาดจกักรพระพัฐากุศเจ้าเสร็จออกจากนครราจกรไปยังเมืองเวสาลี ประทับอยู่นาเวสาลีพอสมควรแล้วเสด็จดำเนินมุ่งพระพักสู่สาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโคศนขณะนั้นสิทธิ์ของพระชัพพระคีรีบเดินทางไปก่อนคณะสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปจองเสนาสนะกับที่นอนไว้ว่าที่นี้สำหรับอุปชายะของพวกเราที่นี้สำหรับอาจารย์ของพวกเราที่นี้สาหรับพวกเรา ฝ่ายพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรไปที่หลังหลังกว่าคณะสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกท่านหาเสนาสนะที่จะพักไม่ได้เพราะจองกันไม่หมดแล้วจึงเข้าไปนั่งอยู่นักโคนไม้แห่งหนึ่งไม่ไกลจากที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้านักยังราตรีให้ล่วงไปแล้วโดวยการนั่งบ้างเดินจงกรมบ้างเวลาใกล้รุ่งพระาศาสดาเสร็จออกจากที่ประทับทรงกระแอมเบา พระสารีบุตรก็แกระแอมเบาๆตอบตรัสถามว่าใครอยู่ที่นั่นข้าพระองค์เองสารีบุตรพระเจ้าข้าพระาศาสดาเสด็จเข้าไปใกล้ตรัสถามอีกว่ามาทำอะไรอยู่ที่นี่เวลานี้พระสารีบุตรกราบทูลว่ามาที่หลังหาที่พักไม่ได้จึงมาพักในโคนไม้ต้นนี้พระสากยมุนีทรงทราบเรื่องแล้ว ทรงสลดพระทัยว่าบัดนี้เรายังมีชีวิตอยู่พิสุทั้งหลายยังขาดความเคารพยำเกรงกับถึงปา น, นี้ต่อไปภายหน้าเมื่อเราปรินิพพานแล้วจกเป็นประการใดเช้าวันนั้นเองรับสั่งให้ประชุมพิสุสงในเชตตะวนารามทรงสอบถามเรื่องราวได้ความจริงแล้วทรงติเตียนภิษุฉับพักคีเป็นอันมากตรัสถามว่าภิษุทั้งหลาย ภิกษุเช่นไรควรได้เศ น, นาสนะอเลิศน้ำอันเลิศบินทบาทอเลิร์ภิกษุทั้งหลายทูลตอบกันไปต่างๆเช่นบางพวกว่าภิกษุผู้บวชจากตระกูลกษัตริย์ควรได้บางพวกว่าผู้บวชจากตระกูลพราหมณ์ควรได้บางพวกว่าภิกษุผู้จำทรงพระสูตรควรได้บางพวกว่าผู้ได้ปฐมฌานควรได้บางพวกว่า ผู้เป็นโสดาบันควรได้บางพวกว่าผู้เป็นอรหันต์ควรได้พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเหล่านั้นไม่ควรอำมาถือเป็นประมาณหรือหลักการตัดสินภิกษุทั้งหลายในศาสนานีควรทําความเคารพ ก, กันตามลำดับอาวุโสคือผู้แก่ปรญหาควรได้เสนาสนะข้าวน้าําอรเรศก่อน อันนี้แหละเป็นประมาณเป็นหลักในการตัดสินในศาสนานี้ก็บัดนี้สารีบุตรเป็นอัครสาวกผู้หมุนธรรมจักให้เป็นไปเช่นเดียวกับด้วยเราเธอควรได้รับเสนาสนะเป็นที่สองรองจากเราแต่เมื่อคืนสารีบุตรไม่ได้เสนาสนะเลยต้องอาศัยอยู่ที่โคนไม้ดังนี้แล้วทรงแสดงเรื่องในอดีตว่า แม้สัตดิราฉานยังรู้จักเคารพกันตามลำดับอาบุโสก็อฉะนไหนเล่าเธอทั้งหลายผู้บวชแล้วในธรรมวินัยซึ่งเราได้กล่าวไว้ดีแล้วจึงไม่เคารพยำเกรงซึ่งกันและการเล่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตการลุกรับการอภิวาทการทำอัญชลีกรรมสามีจีกรรมการให้เสนาสนะอนเลศข้าวน้าอเลศแก่ภิกษุผู้แก่ภาษากว่าก่อน ภิกษุผู้อ่อนกวา่าไม่ควรกีดกันเสนาสนะภิกษุผู้แก่กวา่าใครกีดกันเป็นอบัติทุกกฎพระาศาสดาตรัสต่อไปว่าบุคคลผู้ฉลาดได้มำครบอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ยอมได้รับการสันเสริญในปัจจุบันนี้ และสัมปายภพของเขาก็เป็นสุคติดูเถิดท่านผู้เคารพในธรรมดูจริยาของพระสารีบุตรผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนยกเว้นพระาศาสดาท่านไม่ได้มีอาหางการว่าเราเป็นอัครสาวกแต่เป็นผู้สันโดษและอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอย่างนิดดังได้กล่าวมาบ้างแล้วแต่หันหลังในการรับเสนาสนะของอนาถปินฑิกเศรษฐีครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาว่าที่อยู่อาศัยวิหารย่อมป้องกันหนาวร้อนสัตว์ร้ายเช่น ง, งูยุงและป้องกันฝนในฤดูฝนนอกจากนี้ยังป้องกันลมแดดได้อีกด้วยการถวายวิหารทานแก่สงเพื่อให้ท่านได้หลีกเล่นอยู่เพื่อความสุขเพื่อการเพ่งพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสรรเสริญว่า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 เขารู้ทั่วถึงธรรมนั่นแล้วจากเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพานนอกจากอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วพระสารีบุตรยังเป็นผู้ที่มีความอดทนและให้อภัยแก่ผู้ประทุษรายดังเรื่องต่อไปนี้คราวหนึ่งเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ณนะเชตวันวิหารพวกมนุษย์เป็นอันมากในที่แห่งหนึ่งได้พากันกล่าวสรรเสริญคุณของพระสารีบุตรเถระว่า พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราเป็นผู้ที่มีคุณหน้าอัศจรรย์ยิ่งประกอบด้วยกำลังคือความอดทนเมื่อใครดา่าก็ตามหรือประหารท่านก็าตามความโกรธหาเกิดขึ้นแก่ท่านไม่คราวนั้นมีพราหมีฉาทิติคนหนึ่งกล่าวแย้งว่าที่ว่าพระสาลรีบุตรไม่โกรธนั้นเห็นจะเป็นเพราะว่าไม่มีใครยั่วให้โกรธกระมังไม่ใช่อย่างนั้นหรอกตามมหาชนปฏิเสธ ถ้าอย่างนั้นข้าพระเจ้าใคร่จะทดลองดูพรามนั้นมีความประสงค์จะทดลองคุณของพระเทราเช้าวันหนึ่งเห็นพระสารีบุตรเดินไปรับภิกษาในบ้านจึงเดินตามไปข้างหลังเมื่อได้โอกาสก็ตีกลางหลังของท่านด้วยฝ่ามืออย่างแรงพระอากรสาวกไม่ได้เหลียวดูเลยคงเดินไปเรื่อยๆด้วยอาการสงบพรามคิดว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าสมบูรณ์ด้คุณคือขันติ อย่างที่คนทั้งหลายเล่าลือกันจริงเขามอบลงแทบเท้าของพระเถระเรียนว่าขอท่านจงกรุณาอาภัยโทษให้กระผมด้วยเถิดอะไรกันพราหม์กระผมประหารท่านโดยตรงการจะทดลองช่างเถิดพราหม์อัตมาให้อภัยท่านถ้าท่านให้อภัยกระผมแล้วก็ขอท่านได้โปรดปรับอาหารที่เรือนของกระผมเถิดโปรดส่งบาตรมาเถิด พระสารีบุตรทรงบาดใหพลามได้พาท่านไปยังเรือนของตนอังคาดเตือออาหารอันประณีตการที่พรามลอบประหารพระสารีบุตรนั้นหาได้พ้นสายตาของมหาชนบางกลุ่มไปไม่พวกเขาโกรธแค้นว่าพรามนั้นประหารพระผู้เป็นเจ้าของเราผู้หาโทษไม่ได้พวกเราควรจะฆ่าพลามนั้นเสียพวกเขาต่างถือท่อนไม้และก้อนดิน เดินซุ่มอยู่ที่บริเวณประตูบ้านของพรามเมื่อฉันเสร็จแล้วพระเทระ์มอบบาดไว้นในมือของพรามและเดินลงมาพรามถือบาทตามพวกมนุษย์เห็นนางนั้นจึงเข้าไปเรียนท่านว่าขอท่านรั บ, บาทและให้พรามนั้นกลับไปเสเถิดอะไรกันนี่อุบาสกพระสารีบุตรถามพรามนี่มันประหารท่านพวกกระผมจะทําสิ่งที่มันควรจะได้รับการตอบแทน นิ่งอยู่ครู่หนึ่งพระสารีบุตรจึงว่าพวกท่านถูกประหารหรือว่าอาตมาถูกประหารเล่าอุบาสกท่านเองถูกประหารแต่ว่าข้าขออภัยโทษแล้วเรื่องแล้วไปแล้วพวกท่านทั้งหลายกลับกันไปสเสเถิดท่านนายมหาชนกลับและให้พราหมณ์กลับไปยังเรือนของตนท่านเองไปยังเชตวันวิหาร ภิกษุทั้งหลายกล่าวยกโทษกันว่าอะไรกันพระสารีบุตรถูกพราหมณ์ประหารแล้วท่านยังไปฉันอาหารที่บ้านเรือนของเขาอีกเมื่อเขาประหารพระเทระเช่นพระสารีบุตรได้ต่อไปก็จะเที่ยวประหารภิกษุอื่นๆโดยไม่มีความละอายและความเกรงกลัวพระศาสดาเสด็จมายังธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุสนทนากันแล้วตรัสว่าพรามณ์ประหารพราหม์นั้นไม่มี แต่พลามล์เคยหัดอาจประหารสมณะได้อนหนึ่งความโกรธย่อมถูกทำลายไปด้วยอนาคามีมักดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าพลามณ์ไม่ควรประหารพราหม์ไม่ควรจองเวพรพลาม์หน้าติเตียนพลาหมณผู้ประหารพราม์ด้วยกันหน้าติเตียนพลาม์ผู้จองเวรยิ่งกว่าพราม์ผู้ประหารก่อนการกีดกันใจจากอารมณ์มันเป็นที่รักเป็นความประเสริฐไม่น้อย บุคคลที่สามารถกลับใจได้จากความคิดเบียดเบียนย่อมได้รับความสงบพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายข้อว่าการกีดกันใจจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นความประเสริฐไม่น้อยไว้ว่าความเกิดขึ้นแห่งความโกรธชื่อเป็นอารมณ์ที่รักแห่งใจของผู้มกกักโกรธเถื อ, อความว่าอารมณ์อันเป็นทิรักในที่นี้ท่านหมายเอาความโกรธการกีดกันความโกรธเกียรติได้ คือไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นเป็นความประเสริฐไม่น้อยพระสารีบุตรเป็นผู้ที่มีจิตอนุเคราะห์สัตวิวิหะฤกษ์และมนุษย์ผู้ปรารถนาบุญจนบางครั้งทําให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นแก่ภิกษุทั้งหลายคิดว่าท่านยังมีความโกรธดังเรื่องต่อไปนี้คราวหนึ่งพระสารีบุตรอยู่จําพรรษาในชนบทแห่งหนึ่งพร้อมด้วยภิกษุอริวารประมาณ500ร พวกมนุษย์เลื่อมใสในท่านได้เตรียมผ้าจำนำพรรษาไว้เป็นอันมากเมื่อออกพรรษาปวารณาแล้วเดินทางไปเฝ้าพระศ า, าสดาโดยที่ยังไม่ได้รับผ้าจำนำพรรษาท่านสั่งภิกษุทั้งหลายที่ยังอยู่ในอาวาสนั้นว่าถ้าทายกนำผ้าจำนำพรรามาถวายก็ข อ, ขอให้รับไว้แล้วส่งไปหรือส่งข่าวไปแล้วจะให้ภิกษุมารับภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่า จนถึงเวลานี้พระสารีบุตรยังคงมีตัณหาและความโลภอยู่จึงได้สั่งภิกษุทั้งหลายไว้ว่าเมื่อพวกมนุษย์ถวายผ้าจำนำภาษาให้ส่งผ้าจำนำภาษาไปถวายแก่สัตว์ที่วิหาริกของตนหรือเก็บไว้แล้วส่งข่าวไปพระศาสดาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรไม่มีตัณหาไม่มีความโลภแล้ว เธอสั่งความไว้อย่างนั้นคนได้คิดว่าพวกมนุษย์ผู้หวังบุญจะไม่เสื่อมจากบุญและสัตว์ที่วิหาริกของตนจะไม่เสื่อมจากลาบอันชอบธรรมซึ่งพวกตนควรจะได้ความโลภในลาบหามีแก่สารีบุตรไม่เิกษุทั้งหลายตัณหาของผู้ใดไม่มีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าไม่มีความหวังพรากกิเลสได้แล้วเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามณ์ พระราาการกระทําของผู้ไม่มีกิเลสนั้นบางทีก็มีอาการคล้ายกับว่ามีกิเลสผู้ที่มีภูมิจิตระดับเดียวกันหรือว่าเหนือกว่าเท่านั้นจึงจะรู้ได้ทํานองเดียวกันการกระทําของคนที่มีกิเลสบางคราวก็มีอาการเสมือนว่าไม่มีกิเลสแต่ความจริงนั้นมีเรื่องนี้รู้ได้โดยยากอีกคราวหนึ่ง ท่านไปบินฑบาด ท, ที่เรือนแห่งมารดาในบ้านนาละกานาลั น, นทามารดาของท่านนิมนต์ให้นั่งแล้วอังคาด้วยขาธิญญโภชญญาหารแก่พระเถระพลางด่าไปพลางว่าท่านไม่ได้อาหารหรือน้ำข้าวที่เป็นเดน่นก็สมควรจะกินข้าวที่เป็นเด่นติดหลังกระบวยในเรือนคนอื่นท่านสละทรัพย์ทั้งแปสิโกรออกบวชทําให้เราฉิบหายเสร็จแล้วบัดนี้ขอท่านจงบริโภคเถิด การกระทําของผู้ไม่มีกิเลสนั้นบางทีก็มีอาการคล้ายกับว่ามีกิเลสผู้มีภูมิจิตระดับเดียวกันหรือว่าเนื้อขว่านั้นจึงจะรู้ได้ทํานองเดียวกันการกระทำของคนมีกิเลสบางคราวก็มีอาการเสมือนว่าไม่มีกิเลสแต่ความจริงมีเรื่องนี้รู้ได้โดยยากอีกคราวหนึ่งท่านไปนบินสบาด ท, ที่เรือนแห่งมาดาในบ้านานาลกะ มารดาของท่านนิมนต์ให้ท่านนั่งแล้วอังคาดโดยขาธเนยาน่าโผลธนยอาหารแก่พระเถระพลางด่าไปพลางว่าท่านไม่ได้อาหารหรือน้ําข้าวที่เป็นเดนก็สมควรจะกินน้ําข้าวที่ติดหลังกระบวยในเดือนของคนอื่นท่านสลทระซย์ทั้งแปดสิบบออกบวชทําให้เราสิบหายเสียแล้วบัดนี้ท่านจงบริโภคเถิด นางได้ถวายอาหารแก่พิสูจน์ทั้งหลายที่มากับพระสารีบุตรและดาไปพลางว่าบุตรของเราออกบวชไปเป็นคนรับใช้ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายทำบุตรของเราให้เป็นคนรับใช้จงบริโภคเถิดพระสารีบุตรเทระและพระราหุลรับอาหารเรียบร้อยแล้วกลับไปยังเวรวุวรวิหารพระราหุล น, นาอาหารบิณฑบาตไปถวายพระาศาสดาพระองค์ตรัสถามว่า วันนี้ไปบินธบาต ท, ที่ใดไปที่บ้านคุณย่าพระเจ้าค่าย่าพูดอะไรกับสารีบุตรอุปชาของเธอบ้างย่าด่าธนุประชารพระเจ้าค่าแล้วอุปชาของเธอพูดอะไรบ้างไม่พูดอะไรเลยพระเจ้าค่าพระาศาสดาทรงดุสเนีภิกษุทั้งหลายทราบเรื่องแล้วสนทนากันว่า ท่านทั้งหลายพระสารีบุตรเป็นผู้มีคุณน่าอาศัศจรรย์แม้เมื่อบานดาด่าอยู่ด้วยทอยคำที่รุนแรงก็ไม่โกรธไม่พูดอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าที่สุดทั้งหลายพราหมณ์ในความหมายของเรานั่นก็คือผู้ไม่โกรธมีจิตดีมีศีลไม่มีตัณหาฝึกตนดีแล้วมีสรีระครั้งสุดท้ายคือไม่ต้องเกิดอีกสาหรับพระอัศชินั้น พระสารีบุตรเคารพนับถืออย่างสม่ำเสมอมาตั้งแต่ได้ฟังธรรมจากพระสัชชิจนบรรลุโสดาปติผลแล้วต่อมาภายหลังแม้ท่านได้รับยกย่องเป็นพระเถระผู้ใหญ่ระดับอัครส า, าวกแล้วก็ตามพระสารีบุตรก็ยังคงเคารพนับถือพระสัชชิในฐานะอาจารย์ของตนอยู่นั่นเองเคารพนับถือจนถึงกับว่าเมื่อทราบว่าพระสัชชิอยู่ทางทิศใดก็ประคองอัญเชลี นอนหันศีรษะไปทางทิ่นั้นพิกษุทั้งหลายผู้ไม่ทราบเรื่องนี้เห็นแต่เพียงอาการภายนอกจึงพูดกันว่าพระสาเรบุตรยังเป็นมิจฉาทิฏฐิจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังไหวทิศอยู่นั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้พระสารีบุตรไปเฝ้าแล้วตรัสถามว่าสารีบุตรพิกษุทั้งหลายพูดกันว่าเธอยังนิยมการนอบน้อมไวทิศอยู่หรือ พระสารีบุตรทูลว่าพระเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าข้าพระองค์ไหว้ทิศอยู่หรือไม่พระตถาคตเจ้าจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรหานอบน้อมทิศไม่แต่ว่าเธอนอบน้อมอาจารย์ของตนคือพระอัศจิเทระพระสารีบุตรได้อาศัยพระอศัศจิฟังธรรมจากอัศจิเป็นครั้งแรกแล้ว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 เป็นไปเพื่อคุณความดีแก่ท่านผู้ร่วมสายแล้วดำเนินตามบุตรของนายช่างทองคนหนึ่งในเมืองสาวถีมีรูปงามบวชในสำนักของพระเถระสารีบุตรพระสารีบุตรคิดว่าธรรมดาคนหนุ่มมีราคามากจึงได้บอกอสุภากรรมฐานให้เพื่อกาจัดราคะแต่วกรรมฐานนั้นไม่เป็นที่สบายแก่เธอคือไม่ถูกอัธยาศัย เพราะฉะนั้นแม้ท่านจะพยายามทำกรรมฐานอยู่ในป่าถึงสมเดือนแม้ใจแน่วแน่เป็นเอกอกตาก็ไม่ได้คุณพิเศษอะไรท่านจึงกลับมาสู่สำนักของพระเถระอีกกราเปลี่ยนให้ท่านทราบว่าทำกรรมฐานไม่ขึ้นพระเถระได้บอกอสุภกรรมฐานให้ดีขึ้นและละเอียดขึ้นอีกแม้ในวาระที่สองพิสุนั้นก็ไม่อาจทำคุณพิเศษอะไรให้เกิดขึ้นได้กลับมาบอกพระเถระอีก พระเทระได้บอกกรรมฐานอย่างเดิมให้อีกเป็นแต่เพิ่มเหตุเพิ่มอุปมาให้ละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อนำกรรมฐานนั้นไปทำได้ชั่วระยะหนึ่งพิษุนั้นก็กลับมาบอกพระเทระอีกว่าไม่ได้ผลพระสารีบุตรเทระคิดว่าพิษุผู้ทำความเพียรย่อมทราบนิวร์ที่มีความพอใจในการเป็นต้นที่มีในตนว่ามีที่ไม่มีในตนว่าไม่มี พระภิกษุนี่เป็นผู้ที่ทำความเพียรมิใช่เป็นผู้ไม่ทําความเพียรเป็นผู้ปฏิบัติมิใช่เป็นผู้ไม่ปฏิบัติแต่เราคงจะไม่รู้อัธยาศัยของเธอภิกษุนั้นเป็นผู้อันพระพุทธเจ้าควรแนะนําชะรอยพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะแนะนําเธอได้ดังนี้แล้วในเวลาเย็นได้พาเธอไปเฝ้าพระศ า, าสดาทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบครั้งนั้น พระศาสดาทรงนบริว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้บำเพ็ญบารมีมาอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วย่อมมีอาศยานุส ย, ยานคือยานเป็นเครื่องรู้อัธยาศัยของปวงสัตว์ดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงพิจารณาดูอัตภาพที่ร่วงมาแล้วของเธอทรงเห็นว่าภิกษุนั้นเกิดในสกุลช่างทองมาหร้อยชาติชอบหลอมทองให้เป็นดอกไม้มีดอกบัวและดอกกัิกาเป็นต้น ดังนั้นอสุภะปฏิกูลกรรมฐานจึงไม่เหมาะแกะอ่อัธยาสายของเธอทรงเห็นกรรมฐานอื่นอันเหมาะแกะอ่อัธยาสายของเธอแล้วตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอให้พิสูจนี้ลำบากมาเป็นเวลาถึงสี่เดือนด้วยบอกกรรมฐานที่ไม่เหมาะแกะอ่อัธยาสายของเขาเธอไปก่อนเถิดเธอจะได้เห็นพิสูจนี้บรรลุอรหัตผลในไม่ช้า พระพุทธองค์สรงไดรมิตรดอกประทุมทองประมาณเท่าจักรด้วยลิตแล้วส่งทําเป็นเหมือนกับว่ามีหยาดน้ําจากใบและก้านแล้วได้ประทานให้พิสุนั้นพร้อมจัดว่าเอาเอถิดภิกษุเธอจงเอาปทุมนี้ไปวางไว้ที่กองทรายท้ายพิหารนั่งขัดสมาธิและบริกรรมว่าโลหิตกังโลหิตกังสีแดงสีแดง เมื่อเธอรับดอกประทุมจากประหัตของพระศ า, าสดาเท่านั้นใจก็เลื่อมใสและผ่องใสได้ทําตามที่พระศาสดารับสั่งนิวรทั้งหลายระ ง, งับไปในขณะนั้นเองอุปจาระชานเกิดขึ้นยังปฐมฌานให้เกิดขึ้นในลำดับแห่งอุปจาระชานนั้นในถึงความไม่ผู้ชํานาญเกี่ยวกับฌานห้าอย่างคือชํานาญในการนึกชํานาญในการเข้าฌานชํานาญในการออกจากฌาน ชำนาญในการตั้งอยู่และการพิจารณาองค์ฌานนั่งอยู่ที่เดียวนั่นเองบรรลุฌานทั้งหลายมีทุติยฌานเป็นต้นนั่งทรงจตุตฌานที่ชำนาญแล้วอยู่พระศาสดาทรงทราบว่าฌานทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วแก่พิสุขนั้นทรงพิจารณาต่อไปว่าเธอจะอาจเพยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นโดยลำพังตนเองหรือไม่หนอทรงทราบว่า เธอจักไม่อาจจึงทรงอธิษฐานว่าขอดอกปทุมนั้นจงเหี่ยวแห้งไปดอกปทุมนั้นเหี่ยวแห้งมีสีดำเหมือนดอกปทุมที่ถูกขยี้วยมือภิกษุนั้นออกจากชาแล้วแลมดูดอกปทุมเห็นอนิจจลักษณะว่าทำไมหนอดอกปทุมจึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เมื่ออนุปาทินากาสังขารสังขารไม่มีใจคลอง ยังถูกความชราครอบงำอย่างนี้แล้วคงไม่ต้องกล่าวถึงอุปาทินนักสังขารสังขารที่มีใจกรอกเลยเมื่อท่านเห็นอนิจจลักษณะแล้ว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 เธอเห็นอ น, นิจจลักษณะแล้วจึงถึงความสลดใจว่าชราย่อมกระทบอนุปาทินอากาศสังขารอย่างนี้ทำไมเล่าจะไม่กระทบอุปาทินอากาศสังขารพระพุทธองค์ทรงทราบว่าบัดนี้กรรมาฐานได้ปรากฏแก่ภิกษุนี้แล้วทรงประทับนั่งในพระคันธกุฎีเปล่งพระรสมีไปพระรสมีนั้นกระทบหน้าภิกษุนั้น เธอพิจารณาอยู่ว่าอะไรหนอพระาศาสดาได้เป็นประหนึ่งว่าเสด็จมาประทับอยู่ตรงหน้าท่านลุกขึ้นประคองอัญฉชลีลำดับนั้นพระาศาสดาทรงกำหนดอัธยาศัยของเธอตรัสว่าจงตัดหรือถอนความเยื่อใยของตนเหมือนบุคคลถอนหรือตัดด อ, อกบัวในสาธการด้วยมือจงพอกพูนความแห่งทางสงบเพราะ พระนิพพานพระสุคตก็ทรงแสดงไว้แล้วว่าจบพระธรรมเทศนาภิกษุนั้นได้บรรลุอรหัตผลท่านพระสารีบุตรเทระถามนางเปรตตนหนึ่งว่าท่านเป็นผู้เปลือยกายมีรูปร่างหน้าเกลียดสู้ผอมสะพร่างไปด้วยเส้นเอ็นดูกระนางผู้สู้ผอมมีแต่สิคโครงท่านเป็นใครเล่ามาเยือนอยู่ณที่นี้ ข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าเป็นเปรตเข้าถึงทุกติเกิดในยมโลกได้ทำกรรมอันชั่วไว้จึงไปจากมนุษย์โลกสู่เปรตโลกท่านทำกรรมชั่วอะไรได้วยกายวาจาใจเล่าท่านไปจากโลกมนุษย์นี้สู่เปรตโลกเพราะอิบากแห่งกรรมอะไรข้าแต่ท่านผู้เจริญชนเราใดเป็นบิดามารดาหรือแม้เป็นญาติ ผู้มีจิตเลื่อมใสจะพึงชักชวนข้าพเจ้าว่าจงให้ทานแก่สัาน н พราหม์ทั้งหลายชนผู้อนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้าเช่นนี้ไม่ได้มีเพราะไม่ได้ทำกุศลกรรมมีทานเป็นต้นข้าพเจ้าจึงเป็นเปรตเปลกายถูกความหิวและความกระหายเบียดเบียนเที่ยวไปเช่นนี้ตลอดกาลนานห้าร้อยปีนี่เป็นผลแห่งวิบากรรมของข้าพเจ้าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสขอไหว้ท่านข้าแต่ท่านผู้แก้วกล้ามีอนุภาพมากขอท่านจงอนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้าเถิดขอท่านจงให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอุทิศส่วนกุศลมาให้ข้าพเจ้าบ้างขอท่านจงเพลองข้าพเจ้าจากทุกขติด้วยเถิดท่านพระสารีบุตรเทระผู้มีใจอนุเคราะห์ได้รับคำของนางเปรตนั้นแล้วจึงถวายข้าวคำหนึ่ง ผ้าประมาณเท่าฝ่ามือผืนหนึ่งแต่น้ำเดื่มขันหนึ่งแก่ภิกษุรูปหนึ่งแล้วอุทิศ ส, ส่วนบุญกุศลไปให้นางเปรตนั้นพอท่านพระสารีบุตรเทระได้อุทิศ ส, ส่วนบุญไปให้ข้าวน้าและเครื่องลุงห่มก็บังเกิดแก่เปรตนั่นทันทีนี่เป็นผลแห่งทักศินาภายหลังนางเปรตนั้นมีร่างกายบริสุทธิ์นุ่งห่มผ้าอันสะอาดมีค่ามากยิกว่าผ้าจากแคว้นกาสี มีวัาพรนอวิจิตงดงามเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเทระแล้วพระสารีบุตรเทระถามทั้งหญิงเปรตอีกตนหนึ่งว่าดูกรานางเปรตผู้ผอมมีแต่ซี่โครงท่านเป็นผู้เปลือยกายมีร่างกายหน้าเกลียดสู้ผอมมีตัวสะพร่างไปด้วยเส้นเอ็นท่านเป็นใครหรือมาเยือนอยู่นาที่นี้เมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นมารดาของท่าน ในชาติเหล่าอื่นข้าพเจ้าเข้าถึงเปรตวิสัยเมื่อข้าพเจ้าถูกความหิวครอบงำย่อมกินน้ำลายน้ำมูกและเสมหะอันเขาถมทิ้งแล้วและกินมันเหลวแห่งซากศพที่เขาเผาอยู่ที่เชิงตะกอนกินโลหิตของหญิงทั้งหลายที่คลอดบุตรและโลหิตแห่งบุตรทั้งหลายที่ททถูกตัดมือตัดเท้าและศีรษะซึ่งเป็นแผลกินเนื้อเอ็นและข้อมือข้อเท้าเป็นต้นของชายหญิง กินหนองและเลือดแห่งปสุสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยนอนบนเตียงต่างของผู้ตายซึ่งเขาทิ้งไว้ในป่าชาลูกเอย๋ยขอลูกจงให้ทานและอุทิศส่วนบุญกุศลมาให้แม่บ้างฉนัยน์นอแม่จึงจะพ้นจากการกินหนองและเลือดท่านพระสาเรบุตรเทระผู้มีจิตอลุพรอได้ฟังคําของมารดาแล้ว จึงปรึกษากับท่านพระมหาโมคคลานเถระท่านพระอนุรุตและท่านพระกัปปินาได้สร้างกุฎีสี่หลังในทิศทั้งสี่แล้วถวายกุฎีเหล่านั้นถวายข้าวและน้ำแก่สง์อุทิศส่วนกุศลไปให้มารดาท่านใดนั่นเองข้าวน้ำและผ้าก็บังเกิดเป็นวิบากนี่เป็นผลแห่งทักษิณาภายหลังนางมีร่างกายบริสุทธิ์สะอาด นุ่งห่มผ้าอันมีค่ายิ่งกว่าผ้าจะแว้งกาสีประดับด้วยวัฏถาพอรอวิจิตเข้าไปหาท่านพระมหาโมคลานเถระ